หลักของการปฏิบัติที่ท่านพาดําเนินมาในครั้งพุทธกาลเป็นปฏิปทาที่สวยงามมากการปฏิบัติก็ เพื่อกแก่นทรรมเนื้อทำล้วนๆยิยาอาการที่ท่านแสดงออกล้วนแล้วแต่เป็นอาการของผู้แสวงธรรมผู้จะสังหารสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อธรรมการอยู่ที่อยู่ของท่านก็คือป่าคือเขาลำนอไพร อาหารปัจจัยเครื่องอาศัยอ ด, อดอยอกขา ด, ขา ด, ขาดขขแกลนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยส่นมากมีกับบางสกุลเคื่อหาชักผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งแล้วตามป่าช้า บ, บ้างตามถนนน้นทางบางา้างมาใช้ ส่วนยานั้นรู้สึกจะมีน้อยมากรวมแล้วมีแต่เรื่องขาดขาดเขดินเขินพอดีกับเป็นเครื่องเปิดทางให้ทำได้งอกหนวยขึ้นมาได้เพราะการปฏิบัติสะดวกเนื่องจากสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ทับถมคือการอยู่ สถานที่อยู่ก็สงบสงัสงดมีแต่ป่าแต่เขาโดยมากและท่านมุ่งหน้ามุ่งตาเพื่ออย่างนั้นนางนงหอมใช้สอยไม่มีอะไรมีคุณค่ามีราคาพอที่จะสะดุดตาสะดุดใจแห่งโจนมารทั้งหลายให้คิดอยากได้มารบกวน หรือเบียดเบียนพระเนนให้รับความลำบาก อ, ออกมาจากสกุลใดมีเจตนาเป็นอันเดียวกันคือเพื่อแสวงหาธรรมกำจัดกิเลสไปในขณะเดียวกันการอยู่ก็ เพื่อความเพียรคือท่าต่อสู้สิ่งที่เป็นค่าศึกต่อรำอยู่โดยสม่ำเสมอยืนก็มีความเพียรเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อทาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นการงานอะไรไม่มีมากมาย เพราะสิ่ง น, นั้นเป็นเพียงกับพีหรือเครื่องอาศัยที่เรียกว่าปัจจัยเครื่องอุนหนุนเท่านั้นไม่ใช่เป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระสำคัญพอที่จะให้เกิดความขังบนบุ่นวายถึงกับต้องจัดต้องทาเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาในวงศาสนาจริงๆเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเกลื่อนไปหมดถ้าดูผิวเผินหรือคุณบุตรจุดท้ายดู ไม่ได้ดูแบบฉบับตามหลักที่ท่านดำเนินมาแล้วก็จะเห็นว่าศาสนานี้คือตึกรามบ้านช่องคือวัดวาอาราธที่สวยงามโบสถ์สวยงามกุฏิที่อยู่ที่อาศัยสวยงามเครื่องประดับตกแต่งสวยงามศาสนาเลยกลายเป็นสิ่งหรูหราสวยงามนี้ไปหมดจะทำให้เกิดความเข้าใจ ไปเช่นนี้ซึ่งผิดกับหลักแห่งาศาสนธรรมมากมายอันที่เป็นเนื้อเป็นหนังกลายมาเป็นกะพีอันที่เป็นเปลือกเป็นกะพีกลายมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจุดชนใจของผู้ปฏิบัติห ร, หรือผู้นับถือศ า, าสน า, าปฏิบัติศาสนาไปเสีย ดยเห น, นี้จริงไปเรื่องรู้หลาเพียงทางตาทางหูทางจมูกทางลิง้นทางกายแต่ไม่รู้หลาดในท่ซึ่งทาภายในใจก็ไม่ผิดอะไรกับโลกที่เขาอยู่กันเพราะทำเกิดขึ้นไม่ได้ภายในใจิตใจเนื่องจากกิเลสทันหลงอยู่ทั้งวันทั้งคืน บนหัวใจของพระของเนนเราแต่และดวงละดวงนั้นเนื่องจากไม่มีโอกาสที่จะสเสาะแสวงหาหรือไม่สนใจที่จะกำจัดสิ่งเหล่า น, นั้นออกพอให้ทรรมได้งอกเงยขึ้นบ้างแม้เล็กน้อยเช่นสมถะธรรมก็ยังดีในครั้งพุทธการท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆ พึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมเท่านั้นไม่ได้พึ่งเป็นพึ่งตายกับปรารานปัจใจสี่เหล่านี้แม้จะอาศัยมันดีเรื่อยมาก็ตามตามสภาพของถัดขันที่จําต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แต่จิตใจของท่านมุ่งมั่น ต, อต่ออัต่อธรรมต่อการประพฤติปฏิบัติกรรมจากสิ่งที่เป็นภยัยอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาดัางนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าท่านองค์นั้นสําเร็จพระสกิทากสำเร็จพระโสดา ท่านองค์นั้นสำเร็จพระักีทาขาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆท่านองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาท่านองค์นั้นสำเร็จพระรหัตตผลอยู่ในป่านั้นในเขาลูกนั้นในถ้มนั้นในเงื้อผานั้นในป่าช้าป่าชัดนั่นนั้นด้วยอิรยาบทยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้าง ด้วยความเพราะความภาคเพี่ยนของท่านตามแต่สะดวกในอียบบทอื่นใดหรือพอเหมาะที่จะได้บรรลุด้วยความเพียรในท่าใดียดยาบทใดท่านตักตวงมรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจเป็นลําดับลําดาจนกลายเป็นสังคงงังแสังคาฉามของพวกเราเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้นี่เป็นทางดําเนินของท่าน ที่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆในครั้งพุทธกาลนี่คือเนื้อจริงๆของศาสนธรรมแก่นจริงของศาสนธรรมต้องเป็นแก่นไปจากปฏิปทาเครื่องดำเนินปฏิปทาเป็นแก่นเป็นสาระสำคัญด้วยเจตนาของผู้บำเพ็ญแล้ว ผลจะต้องเป็นแก่นออกมาโดยลำดับลำดาเช่นแก่นพระโซดาสกิทาอนาคาอา ร, หรหรัตรหันจนมีมุดหลุดพน้นล้วนแล้วตั้งแต่แก่นเป็นชั้นๆเข้าไปนี่กำลังเหลืองเจิ้งเต็มที่แล้วเวลานี้สำหรับพวกเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติศาสนาเห็นสิ่งที่โลกเห็น สิ่งที่โลกได้ยินสิ่งที่โลกชมเชยว่าเป็นของดีมีค่าไปตามกระแสของโลกแล้วทำจะมีคุณค่าได้ที่ไหนถ้าไม่ตั้งปัญหาถามตัวเองเช่นนี้เราจะไม่มีทางออกจะจมอยู่กับสิ่งที่โลกทั้งหลายจมตลอดไปจมโลกจมกับอะไรรูปคือวัตถุต่างๆเต็มแผ่นดิน ก็เป็นสิ่งที่ให้จิจตจมลงได้กับสิ่งเหล่านี้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่และอย่างละอย่างยิ่ยงตึงยิ่ยงแต่งยิ่ยงผิดขึ้นมามากมายไกลกองแม้สิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์เรามาตั้งเดิมซึ่งไม่ขาดในฝันว่าจะมีจะปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นแล้วเวลานี้ดา ด, ดืนและเป็นเครื่องสังหาร คนได้เป็นอย่างดียิ่งนัก บ, บวช ด, ด้วยแล้วก็และสมัครใจด้วยแล้วก็ยิ่งปลาใหญ่เห็นหมายวิทยุโทรทัศน์ทีวีเทืออะไรเป็นยังไงเราไม่คาดไม่ฝันว่าสิ่งเหล่านี้จะมี VDODA เอล่านี้ทั้งนี้ตั้งแต่เป็นแก่นอันสำคัญสำคัญที่จเป็นเครื่องสังหารจิตใจของนัก บ, บวชเราได้เป็นอย่างดี หาที่ขัดที่แยกไม่ได้ถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปขัดไปแยกไปปราบปรามมันนี่แหละคําว่าจมจมอยู่กับสิ่งทั้งหลายที่โลกเขาจมพระเราก็จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะยินดีกับสิ่งเหล่านี้จะไม่จมได้ยังไงเรื่องของธรรมต้องทวนกระแสฟืนสิ่งที่ ใจของเราชอบซึ่งเป็นเออเหมือนกับโลกทั้งหลายตาก็ฝืนสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ดูอยากดูเท่าไหร่ก็ตามเพาะความอยากนั้นมันเป็นไผ่ที่จะทําให้ดูให้เห็นเพิ่มไัยเข้าไปอีกอยากได้ยินก็เป็นไผ่ที่จะเพิ่มสิ่งที่เห็นได้ยินนั้นเป็นไผ่เพิ่ม ขึ้นไปโดยลำบากลำดาคิดในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภัยความอยากคิดเป็นต้นเหตุแห่งภัยความพอใจในการคิดกับสิ่งที่จะติดจมทั้งหลายเหล่านี้ก็ยิ่งเพิ่มภัยขึ้นภายในใจิตใจการที่ภัยเกิดขึ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งออกมาจากทางใจซึ่งเป็นตัวอยาก ตลอดเวลาเช่นนี้จะเป็นมรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าไม่ใช่ครังกิเลสเต็มหัวใจเพราะการสั่งส ม, ม, มอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี้เท่านั้นแล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานที่ไหนศาสนาก็มีแต่เพียงตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์มาธรรม เช่นสมถะสมถะธรรมวิปพัฒนาธรร ม, ว, รรมวิมุติธรรมก็มีแต่ชื่อในตัวหนังสือไม่มีรวดลวดลายปรากฏในผู้ปฏิบัติธรรมในพระในเนรนของเราเลยแล้วจะหาผลเป็นธรรมเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงลวดลายก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินมันไม่มีในจิตใจ แม้ผลนิพพานจะแวกแนวมาเกิดด้วยหายหผลไม่ได้ได้อย่างไงสุดท้ายศาสนาก็มีแต่วัตถุวัดวาอาวาดเป็นศาสนาโบสถ์วิหารสวยงามหรูหราเป็นศา ส, สนาฐานที่อยู่อาหารปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนกับโลกเขาทั่วไปเป็นศาสนา ไปทั้งหมดคำมาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการรักษาทวาลของตนซึ่งเป็นตัวภยัยได้แก่ตาหูจมูกทินิงกายใจนี้ไม่มีความสนใจที่จะรักษาแล้วภัยจะระงับดับลงได้และทำจังหวะเกยขึ้นได้อย่างไรนี่แหะที่ว่าศาสนามีแต่ชื่อออกจากมีแต่ชื่อก็มีแต่วัตถุเต็มไปหมด ทาแท้ที่พระพุทธเจ้านำมาประกาศสอนโลกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีทางปรากฏในจิตใจของผู้ไม่สนใจใฝ่ต่อการปฏิบัตินั้นได้เลยเราจะสมัครในทางไหนเราเป็นนักปฏิบัติจะสมัครในธรรมทั้งหลายที่ว่าบริสุทธิ์ล้วนๆอันเป็นธรรมแท้ภ า, ายในพระพุทธเจ้านั้น เราก็ดําเนินตามปฏิปท า, าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรเต็มจิติกําลังความสามารถของเราทำเหล่านั้นก็จะค่อยงอกค่อยเงยค่อยแตกขแขนงขึ้นมาปรากฏให้ได้รู้ได้เห็นภาณในจิตใจไม่มีศัพท์แต่ว่าชื่อของธรรมเช่นสมาาถมะธรรมเป็นต้นความสงบภาณในาจิตใจก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาเพราะสมาธิภาวนาเดินจงกลม การชำระจิตใจการระงับดับสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายและเปิดทางให้ธรรมมีสมถะทำสมถะรมเป็นต้นได้เกิดขึ้นสมถะธรรมที่เป็นธรรมแท้ก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี่ศาสนาเป็นอย่างนี้เลยรู้อ๋อนี่เริ่มได้เห็นศาสนาแล้วท่านว่าสมาถะธรรมเป็นสมาธิ ซึ่งได้เคยได้ยินแต่ชื่อไม่เห็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงเลยแต่ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในจิตใจของเราใจของเราเคยฟุ้งซ่านนำคารมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ไ, ไม่เคยคาดเคยฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นความสงบเช่นนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยวิธีปฏิบัติต่างๆงานั้นคำว่าสมาถะธรรมก็มีความเจริญ ง, งอกเคยขึ้นโดยลําดับตั้งแต่สมถะอ่อนๆเช่นคณิกะสมาธิ ก็คอยแน่แนๆเข้าไปแน่แนๆเข้าไปเพราะการบำรุงส่งเสริมของเราการระมัดระวังรักษาสิ่งที่เป็นภัยที่จะมาก่อกวนทําลายจิตใจให้มีแต่สติปัญญาระมัดระวังรักษาใจอยู่เสมอบังคับใจไม่คิดไปในสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายอันจะเป็นภัยต่อจิตใจและบังคับจิตให้เข้าสู่ธรรมอันเป็นแดนแห่งความสงบเช่นกําหนดภาวนาบทตใจก็ต า, าม ให้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจจดต่ออยู่กับบทแห่งการภาวนาของตอนนั้นทำแท้คือเริ่มตั้งแต่สมาธิทำสมถะทำก็จะปรากฏขึ้นมาจิตที่เคยหมุนตัวเป็นกังหันก็จะกลายเป็นจิตที่นิ่งจิตที่สงบจิตที่สะอาดผ่องใสขึ้นมาให้ได้เห็นนี่คือผลแห่งธรรม หรือว่าทมแท้ได้เริ่มปรากฏแล้วแม้จะยังไม่ถึงวิมุตตหลุดพ้นก็าตามนี่ก็คือคำแท้ได้แก่สมาธิธรรมซึ่งปรากฏแล้วภารกิจใจของเรานี่ยนบำรุงจงเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอสมาธิธรรมนี้จะมีกำลังกล้านั้นจะทำความสงบล่มเย็นให้ให้ปรากฏแก่ตัวของเราใจของเรายิ่งขึ้น จนแนบแน่นละเอียดสุขขุมภายในใจมีแต่ความสงบความร่มเย็นความผ่องใสและเป็นโอชารสอันสำคัญที่จะให้จิตได้ดื่มให้ได้อยู่พึ่งพิงกับสมถะธรรมนั้นแล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยหิวโหวยหรือเคยถูก กิเลสมันผลักดันออกไปให่อยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพัน์สิ่งนั้นชินนี้เบาลงไปเบาลงไปสิ่นนั้นจา ง, งไปเพราะทำโอชารสแห่งธรรมได้แก่สมรตถธรรมเป็นที่ดูดดื่มของจิตใ จ, จเป็นที่พึ่งปิงของใจแล้วนะใจที่เคยว่าวุ่นขุนวัวก็สงบตัวลงมาเพราะถูกกับยาคือธรรมโอสด นี่ก็คือทมแท้ครั้งพุทธการท่านเห็นทมแท้ท่านรู้ทมแท้ด้วยการปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้นี่คือาศาสนธรรมคือทมแท้นี่พูดทึงเรื่องปัญญาคือความพินิจพิจารณาความไตรตรองตามสภาวะธรรมทั้งหลาย ให้ถูกต้องตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้แยกแยะอย่างไรจริงเป็นปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดท่านให้ถือจุดไหนเป็นสถานที่ทำงานงานนั้นคืออะไรสถานที่เมื่อรวมตัวแล้วก็ได้แก่ สกลนาการของเราทุกส่วนรวมอยู่ในนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่หนึ่งอริยสัจสี่หนึ่งรวมอยู่ในเบญจขันธ์พร้อมทั้งจิตใจของเหล่านี้และในเบญจขันธ์แต่ละอย่างแต่ละสัจแต่ละบุคคลพร้อมทั้งจิตใจของเขานั่นก็เป็นสัจธรรมแต่ละอย่างละอย่างเราจะพิจารณาแยกแยะให้เห็น ตามความจริงของสัจธรรมที่ประกาศสอนไว้อย่างไรหรือตามความจริงแห่งสติปัฏฐานสีคที่ท่านสอนไว้อย่างไรนั่นเรียกว่าปัญญาคือพิจารณาคลี่คลายดูสกลากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี่คืองานของพระงานของผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อความหลุดพ้นเวลาบวชที่แรกอุปชาท่านาก็มอบงานให้ทุกๆองค์ไม่เคยมีองค์ใดนับแต่สามเณ น, นขึ้นมาที่ว่าไม่ได้งานห้าชิ้นนี้มาปฏิบัติมาดำเนินหรือมาทาได้ทุกรายไปยเช่นเจสาโรมานขาทันตาตะโจผมคนเ ล, มเล็บฟันหนัง นี่คืองานจับเอาผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาพินิจพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามสภาพของหมันอย่าให้กิเลสมันขัดมันแย้งมันฉุดมันลากไปหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามเป็นที่น่ารักใครชอบใจแต่พิจารณาตามความเป็นจริงของสภาพนี้เพราะธรรมคือความจริงไม่มีแง่มีงอนเหมือนกิเลส จึงมีร้อยสรรพันคมคอยเชือดคอยเฉือนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เป็นไปเช่นนั้นให้พิจารณาตามหลักความจริงลงไปผมเป็นยังไงสถานที่เกิดที่อยู่ของผมเป็นยังไงผมแต่ละเส้นละเส้นนั้นหรือคือเรานั่นหรือสวยงามผมเราก็มีผมเขาก็มีเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารักให้ยินดีที่ตรงไหน ผมเป็นเส้นๆ้นนั้นและที่เกิดของมันเกิดในสถานที่สะอาดหรือสถานที่โ ส, สโครกโสโครหรือสถานที่วิเศษที่โสมาจากโลกใดแดนใดมันก็เกิดบนหัวบนทิ่สะบนเนื้อบนกายของเรานี่ซึ่งเป็นของพื้นฐานแห่งความปฏิคูลอยู่แล้วแล้วมันจะเอาความสวยงามความวิเศษวิโสมาจากไหนอันผมอันขนเล็บฟันเหล่านี้เพราะมันอยู่กับสิ่งที่โสโครกโสมมเต็ม ตัวอยู่แล้วหนังก็เหมือนกันหุ้มห่อของสกรปรกเอาไว้แล้วมันจะสวยงามที่ตรงไหนหน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนหน่ า, ำากำหนับยินดีที่ตรงไหนมันวิเศษดิโสที่ตรงไหนนี่เรียกว่าปัญญาคลี่คลายดูจะเป็นอวัยวะส่วนใดก็าตามขอให้ท่านหนักภายในจิตเถิดกําหนดพิณิพิจน า, าให้มันซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไ ป, ส, าาไปสู่หลักความจริงแม่ขิดเด็กมาแย้งนักขัด เข้าไปสู่ความจำปลอมผ่อง ม, มันว่าสวยว่างามว่ากีดังถาวรก็แล้วกันให้จับหลักนี้เอาไว้พาณในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเวลาพิจาณาก็ให้พิจารณาจริงๆดังที่กล่าวนี้จะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังหรือเนื้อเอ็นกระดูกตลอดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนซึ่งมีสภาพเหมือนอนกันหมดเอาพิจพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงนี้ท่านเรียกว่าปัญญา คือสอดส่องมองลงไปตามหลักความจริงเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่ด้วยปัญญานี้ความยึดมั่นถือมั่นความทั้งการผิดว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามก็จะพังทลายลงไปความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มนีนี่แหละเมื่อถึงความจริงพิจารณาให้ เห็ตามหลักความจริงจนเต็มสัดเต็มส่วนและอุปทานจะหนาแน่ยนยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ตามเถอะจะไม่มีอะไรเหนือปัญญานี้ไปได้จะถูกปัญญานี้พังทลายไปหมดนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเพียงเห็นสิ่งเหล่านี้ประจักด้วยปัญญาของเราเท่านั้นเราก็ได้ทราบชัดแล้วว่าชาตธินธรรมแท้คืออะไรคือปัญญาเนี่ย เครื่องนำเนิ่นมีฝ่ายเหตุฝ่ายผลก็คือความผาสุกดูได้ครับฝ่ายเหตุก็คือความรู้แจ้งแทงทะลุโดยทางสติปัญญานี่ท่านเรียกว่าปัญญาปัญญาเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนในหนังสือก็มีแต่ชื่อของปัญญาท่านชี้เข้ามาในตัวของบุคคลในองค์อริยสัจ คือกายของเราทั้งกายขันทั้งขันสติปัฏฐานสี่รวมอยู่นี้หมดปัญญาทัานชี้เข้ามาให้พิจารณาที่นี่เนี่ยนั่นเป็นชื่อของปัญญาองค์ของปัญญาแท้จะเกิดขึ้นจากผู้ผิดขึ้นมาในตัวเองนี้แล้วพิจรารณาขี่คลายดูเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิคูณโสโครกส่วนไหนก็เหมือนเหมือนกันหมดเท่าเทียมกันไม่มี จุดใดเป็นจุดที่บกพร่องแห่งความโสกตกมันโสกปกด้วยกันโสมมด้วยกันชา้านั่งตลอดเวลาเหมือนกันหมดพญานุพูดถึงอนิจจังมีสภาพใดบ้างในร่างกายนี้ที่ด้นอกเหนือไปจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เท่ากันอีกจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหน เมื่อมีแต่อณนนิจังผันอยู่ตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งบีบคั้นตลอดเวลาอนัตตาถือเป็นสาระแก่นสารที่ไหนได้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตได้ยังลงสู่ความเป็นจริงแล้วมันก็รู้เท่าทันสิงเหล่านี้แล้วถอนตัวออกมาความกังวลวุ่นวายความหนักความหน่วงเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นผลของความหลงนั้นก็ถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่นี่แหละทำแทรพิจารณาอย่างนี้ เมื่อปัญญาทรมมีแล้วทำไมวิมุติธรรมจะเหนือความสามารถไปได้อย่างไงเพราะปัญญารมนี้เพื่อวิมุติธรรมโดยตรงอยู่แล้วแทงทะลุเข้าไปแทงทะลุเข้าไปจนกระทั่งถึงความหม ด, ดตดปล่อยวางได้หมดโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่รูปคือร่างกายของเราเมทนาสัญญาสังขารยินยานแทงทะลุเข้าไปหมดจนกระทั่งรวมดังของวิชาที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจ พูกพังลงด้วยมหาสติมัมหาปัญญาที่กันสมัยเลนไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่แล้วจิตเดมันจะอยู่ได้ยังไงและมรรคผลนิพพานทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นทำไมจะไม่เป็นขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ร่วนๆแล้วจากจิตเดชทั้งหลายน่นี่แหละคือว่าทำแท้เป็นอย่างนี้และลวนลายของผู้ปฏิบัติก็คือปฏิปทาดาเนินให้เป็นไปตาม หลักธรรมไม่ารสอนไม่ไม่หวัน่นไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนมีความหนักแน่นแก่นนักรบหรือแก่นนักปฏิบัติทั้งอดทั้งอิ่นทั้งทุกข์ทั้งสุขอะไรไม่หวัน่นจะพิจารณานี้ให้รู้ให้เห็นตามหลักความจริงทําไมจะมารู้ได้เห็นได้กิเลสในครั้งพุทธการกับกิเลสปัจจุบันนี้เป็นประเภทเดียวกันมัชฌิมาปฏิปทาเครื่อง ปราบปรามกิเลสทุกประเภทก็เป็นประเภทเดียวกันผู้ปฏิบัติปฏิบัติแบบเดียวกันทําไมจะไปคืรึทำไมจะไ ป, ไะปล้าสมัยทําไมจะไม่มีมรรคผลนิพพานแก่ผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามหลักแห่งสวกคาตธรรมเป็นไปไม่ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันเรื่องมรรคผลนิพพานไม่อยู่กับอดีตไม่ได้อยู่กับอนาคตเช่นเดียวกับกิเลสไม่ได้อยู่กับอดีตอนาคตแต่มันอยู่ที่หัวใจคน ฝังจมอยู่ที่หัวใจคนเมื่อเราปฏิบัติจอสติปัญญาศรัทธาความเพียรเข้าไปสุดจุดที่กิเลสมันช่องสมอยู่แล้วทําไมมันจะไม่พังกิเลสต้องพังทลายลงไปไม่ว่าสมัยใดกิเลสต้องพังด้วยธรรมมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นเป็นเครื่องทำลายกิเลตทั้งหลายไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่สถานที่โน้นที่นี่มาเป็นเครื่องทําลายกิเลสแต่เป็นธรรมต่างหากดังที่กล่าวมานี้ เป็นเครื่องทํำลายขอให้พากันทําความมั่นใจในการเราคุยปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นว่าศาสนธรรมแท้เป็นยังไงทำแท้เป็นอย่างไรแล้วก็ยกเราเป็นจักขิพยานว่าผู้ปฏิบัติแท้คือใครถ้าไม่ใช่คือเราถ้าเมื่อคือเราแล้วใครจะเป็นผู้ทรงมรรคนิพพานที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้าไม่ใช่เราจะเป็นใครนะผู้ปฏิบัติเท่า น, นั้นที่จะได้รู้เห็นจริงในธรรมทั้งหลาย อาตื่นลมตื่นแรงตื่นโลกตื่นสงสารการตื่นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกต่างหากไม่ใช่ธรรมธรรมท่านไม่ได้หลอกไข่นี้แต่กิเลสทั้งนั้นจะหลอกสัตว์โลกให้โลกให้จมในเวลานี้เราอยากเข้าใจว่าสิ่งอื่นใดที่จะมาหลอกให้สัตว์โลกได้ล่มจมอยู่ในวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนกันอยู่ไม่มีจบมีสิ้นนี้เลยมีังแต่กิกเลสทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนเป็นเรื่องของกิเลส ทั้งหมดเป็นตัวฆ่าสึกต่อจิตใจแล้วบังคับจิตใจให้หมุนติวต้วติ้วอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ตลอดมาไม่ใช่เรื่องอะไรมันจะเรื่องของขี้เดลทั้งหมดเรื่องของธรรมมีเป็นเครื่องปลดเครื่องปล่อยเป็นเครื่องสลัดตัดทิ้งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายเรนนี้ออกจากใจโดยลําดับลําดานจนกระทั่งสลัดปัดทิ้งเสียหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้ววิมุติธรรมก็ปรากดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปพูดถึงการนั่นสมัยนี้ผู้ทำมันเสียเวแลาวไม่ไยงไง พูดลงตรงนั้นจอลงตรงที่กิเลสมีอยู่นั้นมันจะได้เจอกันค่าสึกอยู่ตรงไห น, นให้ก้าเข้าไปสู่จุดนั้นจะเจอค่าสึกค่าสึกคืออะไรถ้าไม่ใชสิ่งทําลายเราได้แต่กิเลสนี่พิจณาลงตรงนี้นักปฏิบัติที่ศาสนาจะเหลือตั้งแต่ชื่อแต่นามแล้วนะผมไม่ได้หาเรื่องหาราวเรียนคัมภีร์เดียวกัน คลายๆก็เรียนคมพีเดียวกันเห็นอยู่ด้วยกันด้วยตาก็เห็นหูก็ได้ยินอะไรเป็นของสำคัญในวงศาสนาเวลานี้มันมีแต่แต่ละวัตถุเครื่องก่อสร้างเรื่องยุ่งเหยิงบุนวายไปหมดนี่เลยกลายมาเป็นเนื้อเป็นหนังจะทั้งๆที่สิ่งนี้เพียงเป็นเครื่องเพียงอาศัยเท่านั้นแล้วมันมากลายเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาจะทาลายาศาสนธรรมบนหัวใจหรือทันหลงใจนี้ให้แหลกไปหมด ด้วยความพุ่มเฟเหืมตื่นสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฟว้ตื่นให้กระตือรอร้อนในอัดในธรราเลยลวนลายแสดงออกให้เป็นลวนลายของผู้จะฆ่ากิเลสหรือผู้ฆ่ากิเลสอยู่ที่ไหนให้มีสติระมัดระวังตนอย่าเสียดายความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยิน นั่นได้ฟังนี้อยากสัมผัสสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วด้วยเล่กลมายาของกิเลสพร้อมทั้งพิษของหมันผลท่องหมันเราได้สัมผัสสัมพัสมามากแล้วไม่ควรจะมาสงสัยกับสิ่งเหล่านี้ทำนั้นเรายังไม่เคยสัมผัสสัมผันธ์เอาให้ได้สัมผัสสัมพันสเลยนั้นต่างกันอย่างไรบ้างเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมเรายังไม่เคยสัมผัสสัมผันธ์เอาให้สัมผัสสัมผัสแต่พูดถึงเรื่องความภาคความเพียรกิเลสพาเพียรกัน ถลอกปอกเปิบกันไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวมันได้ผลประโยชน์อะไรันกิเลสพาเพียนนั้นให้ทําพาเพียนสิเพียนข่ากิเลสนั่นแนะอละศรัทธาเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วให้หมุนติ้วเข้ามาสู่ความเชื่อธรรมตามหลักธรรมที่ผู้เชี่ยวทรงสั่งสอนอาจะเป็นยังไงวิญญาณพยายามกับพยายามเพียนกับเพียนมาแล้วแต่ท้าก็เชื่อมาแล้วสติเคยจดจ่อต่อเนื่องไปกับสิ่ง ที่พาให้หลงให้จมเท่าไหร่ก็เคยมาแล้วเอาตั้งลงไปที่จุดใจตรงที่กิเลสมันซ่องสมอยู่นี่ปัญญาเอาค้อนคว้าลงไปพินิจพิจารณาลงไปปัญญาเหล่านี้ได้เคยใช้มาแล้วกับโรกกับองศารมันเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เครื่องมือของธรรมถ้าย้อนกลับเข้ามาสู่สติปัฏฐานสี่และอริยสัจสี่โดยความเป็นธรรมและปัญญานี่จะเป็นธรรมขึ้นมาโดยลําดับธรรมดาและเป็นธรรมล้วน ปัญญาอันนี้แหละเป็นปัญญาที่จะแก้กิเลสปัญญาดังที่โลกทั้งหลายเขาใช้กันนั้นไม่ใช่ปัญญาแก้กิเลสเปปัญญาเป็นเครื่องมือของกิเลสเสริมกิเลสให้เต็มหัวใจกันเท่านั้นแต่ปัญญาที่ฆ่ากิเลสจริงๆต้องปัญญาที่ผลที่ค้นขึ้นมาหนึ่งด้วยการได้ยินได้ฟังเป็นอุบายสุตตมามัญญาปัญญางานอันหนึ่งยินตามัญญาปัญญาการพินิจพิจารณาในอัตในธรรมทั้งหลายนหนึ่งหนึ่ง ภาวนาเมยปัญญานี่กว้างขวางลึกซึ้งมากละเอียดแหลมคมมากนี่แหละรวมลงไปทนในภาวนามยปัญญาสุตะก็ดีกินตามยะยก็ดีรวมลงในภาวนามยปัญญาทั้งนั้นผลสุดท้ายจะเกิดขึ้นเองผุดขึ้นมาเองพินิจพิจารณาตัวของตัวได้เองเป็นอัตโนมัติเราไม่เคยคิดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจะรู้จะเห็นขึ้นมา ตามเาลาของปัญญาที่มีกําลังเพียงไกลแล้วนี่เป็นปัญพนามยปัญญาโดยแท้นี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิรญญรเลส ป, ป, ป, ปัญญาประเภทนี้แหละกิเลสคิดหายไปไปเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ได้คิดหายไปเพราะปัญญาประเภททั้งหลายที่ดังที่โลกเขาใช้กันเพราะฉะนั้นคำว่าโลกกับธรรมต่งตางกันให้พากันเข้าใจได้ปัญญานี้ม า, ชาใช่ไหมไปยังไงกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนปัญญานี่ยิ่งแหลมคมกว่านั้นอีก เอาให้พังทลายไปได้หมดมันจะหลบจะซ่อนอยู่ที่ไหนไม่พ้นปัญญานี้ไปได้เลยถ้าลงปัญญานี้ได้เกิดขึ้นด้วยหลักของภาวนามัญญปัญญาแล้วจะเด่นอยู่ในหัวใจหมุนตัวติ้วติ้วติ้วไม่มีกลางวันกลางคืนเดินเดินด น, นั่งนอนเว้นเสียแต่ลัเ่านั้นมีแต่การต่อสู้กับกิเลสเอากิเลสมอบตรงไหนขุดค้นลงไปก็เรียวกว่าเป็นงานของปัญญาเมื่อเจอกิเลสแล้วกันเรียกว่าทํางานปัญญาทำงาน ภาตันหันแหลกกันไปค า, ามักผลนิพพานไม่ต้องถามนี่แหละบอกเกิดนะักแห่งมักผลนิพพานอยู่ที่จุดที่นี่ที่จุดปัญญาทำงานอยู่อะไนี้จะรู้ได้เห็นได้อย่างชัดเจนวัตถุมันสำคัญมากนะ ม, มันทับทำ เหยียบย่ำทำลายทำมันเข้ามาทุกด้านทุกทางนั่นแหละทำเลยกล้าไม่ออกโลกเขานี่ยเยียมยังไงพระเราก็เป็นบ้าไปแล้วเขาเฮ้ยมันไม่คำานึงว่าคิดถูกเพื่อดีประการใดเขามีอะไรก็อยากมีแม้ี่สุดเขามีรถยนต์ก็อยากมีน่ะเห็นไหมเี็น่าเนี่ย ถ้าแท้มีอะไรบริขารแปดเป็นหลักสมบัติของพระน่ะบริขารแปดคืออะไรก็ลายจีบอล น, นี่บาตรพรเอุทกรองเข็มมีดโกนเครื่องกรองน้ำนั่นสถานที่อยู่ของพระคืออะไร ลูกขโมรเสนาสนาลิซาเปาปชาตัจจยาวิจิวางอุซ่าหกกรณีย์โนี่เลยเป็นเอกที่อยู่ของพระนี่คือที่อยู่อันเอกนี่ละรู้หลาที่สุดสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่อันนี้รู้หลาโดยความเป็นรู้หลานี่ยโดยความเป็นธรรมรู้หลาโดยธรรมไม่ใช่รู้หลาแบบกิเลสนียกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับก็ตามเถอะนั้นนั่นไม่ได้รู้หลานะ่ะบกพร่องเมื่อเที่ยวกับทางด้านธรรมมาแล้ว อยู่ดีกินดีเท่าไรยิ่งเป็นความบกพร่องทางศาสนามากเข้าโดยลำดับนะอ้าวอยู่ไม่ดีกินไม่ดีขาดขาดเขินเขินระบบพร่องแต่ความภาคความเพียรไม่หยุดไม่ถอยเพื่อการฆ่าการชนะกิเลสนี่ความสมบูรณ์ภูิผลของพระนะมันกกงกันข้ามนะในป่าในเขาล้มไม้ชายคาที่ไหนเดือนว่างสถานที่บำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสนั่น เป็นสถานที่เหมาะสมเห ม, มาะสมอาหารปัจจัยกระถาดเขนเขิ น, ข น, ขนบกบกร่องๆนั่นคือความสมบูรณ์ทางด้านธรรมะธรรมะต้องเกิดในสถานที่ขาดแคลนไม่ได้เกิดในสถานที่สมบูรณ์ปูนผลหรือรูรู ล, ลาหลาอะไรนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเกิดเป็นเรื่องเพราะกิเลสแต่มันเพอกปูนก็เลยหัวใจแล้วก้าวขาวไม่ออกจะก้าวด้วยความเพียรขาก็จะหักจะนั่งสมาธิเอวก็จะหักถ้าลงนอนแล้วเหมือนคนตายพระตาย จะไม่ให้ลูกก็ได้ถ้าไม่หิวนั่นถ้ากิเลสลงได้กล่อมแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ทําได้กล่อมหัวกิเลสถ้มันหลับสนิทสวดกุศลธรรมมากิเลสบ้างเป็นไรกุศลธรรมมากุศลธรรมมาฆ่ากิเลสด้วยความฉลาดนี่มีแต่กิเลสกุศลธรรมมาคือมันฆ่าเราด้วยความฉลาดเข้ามาอักกุศลารพราความโง่ของเรามันมีแต่อย่างนั้น อมาญชา้าท่านสวดกุศลธรรมมาแล้วเรียนมาทําไมกุศลธรรมมาแปลว่าอะไรแปลว่าทํายังบุคคลให้ฉลาดท่านถ้ากุศลธรรมมาคือทําโง่ทําคนให้โง่เนี่ยอะไรที่ฉลาดก็มาสอนเอามาสอนเจ้าของฝึกเจ้าของเลเมื่อทําฉลาดนําทําฉลาดเข้ามา ป, ปฏิบัปฏิบัติแล้วกิเลสมันจะฉลาดขนาดไหนมันก็พังได้ด้วยความฉลาดของธรรม พอพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังถูกกิเลสปิดหูปิดตาก้าวขาไม่ออกใจที่จะคิดถึงมรรคผลนิพพานนี่อ่ อ, อนเปียกไปหมดมรรคผลนิพพานหมดแล้วสิ้นสมัยไปแล้วไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีใครจะปฏิบัติไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีมรรคผลนิพพานให้มันกล่อมมาสย่างสนิททั้งๆ้งที่คนทั้งคนพระทั้งองค์ทํทงงทาไมจึงโง่ขนาดนั้นวะกล่อมกิเลสให้มันหลับทั้งยืนไปไเลย มันมเรื่องความรู้ความฉลาดแล้วพอมมาจากไหนตั้งแต่โคตรแต่พ่อแม่ของกิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคปลนิพพานทำไมมันไม่ไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานทําไมมันจะเอามรรคผลนิพพานมาอวดว่ามรรคผลนิพพานไม่มีได้วะนั่นนั่นที่ปัญญาแทรกกันเข้าไปอย่างนั้นพี่ถ้าเป็นนักปฏิบัติอืมกิเลสนี่เหลือเป็นตัวมีอำนาจเหนือมรรคผลนิพพานแล้วกิเลตัวไหนโคตรไหนที่เคยเห็นมรรคผลนิพพานมาแล้วและเคยเห็นมรรคผลนิพพานสิ้นไปแล้วชิ่นได้มาหลอกโกหกโลกเขาล่ะ เราเปล่งวาจาทุกวันนี้เปล่งวาจาว่ากิเลสสนังกะชะามีอย่างนั้นเหรอเราเปล่งวาจาถึงพุทธังสนังกะชะามีองค์เอกฉลาดแหลมคมเนื้อกิเลสปราบกิเลสถ้าอยู่ก็คือศาสตะองค์นี้นี้องค์นั้นนั้นทำไมสนังกะชะามนี้อุบัติขึ้นมาเพราะความฉลาดของพระเจ้าไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะความเพราะกิเลสนี่นะทําไมเราจะไปก้มหัวหมอบกราบมันเวลามันผุดขึ้นมาปาัใจมันบังคับ จ, จิตใจปิดบงังจิตใจว่ามักคผลนิพพานไม่มี การนั้นมีมากกวนิพานการนี้ไม่มีทำไปเท่าไรก็ทําไปเถอะทาไปเถอะมันกลอมเท่าไรแล้วนี่มันกล่อมโลกมาเท่าไรแล้วเราก็มีหูมีตามีใจอยู่ทําไมยิ่งขึ้มันกล่อมมันนักหนาทำงู้เจ้าเป็นเครื่องเบิกทางเป็นเครื่องปราบมันมีอยู่ทําไมไม่เอามาเบิกทางไม้มาปราบออืแล้วกิเลสมันสิ้นซากไปที่ไหนมันมีการมีสมัยไหมสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี้กิเลสหมดเข็ดหมดสมัยแล้วไม่มีในหัวใจของสารโลกมีไหม ว่ามรรคนิพพานไม่มีเท่าไรกิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นมาโดยลำดับต่างๆแล้วเราตึงย้อนมาดูมันบ้างสิแล้วกิเลสมื่ออะไรมันจะสิ้นซากเมื่อไรมันจะสินนะส้นการที่สมัยไปทําไมจะสิ้นตั้งแต่เรื่องอ่านเรื่องทำกิเลมันสิ้นไม่ได้หรอือนั่ น, เ อ, น, นเอาให้มันสิ้นให้เห็นสิกิเลมันสิ้นบนหัวใจแล้วเออนี่สมัยนี้เป็นสมัยที่บริสุทธิ์เต็มที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปแล้วให้มันว่าบางทีนี่มีแต่มันมากล่อมทํา ลงผีไว้สําหรับเราทตั้องติดทาความเพียรอยู่กับมรรคผลนิพพานไม่มีฮะมันกลมแล้วกลมมันมัง่นงนี่หน้าปฏิบัติธรรมะวุฒิเจ้าไม่ได้สอนคนไดโง่ น, นะธรรมะนี่ออกจากปราด จ, จอมแหลมขมที่สุดคือศาสตาอุ่งเองนำมาใช่นามาปฏิบัติรู้ให้เห็นมรรคผลนิพพานจะไปถามที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติสัจธรรมสี่คืออะไร ทุกสมุทนิโรจมรรคนั่นแหะอยู่ท่ากลางแห่งสัจธรรมทั้งสีน่นี่สติปัฏฐานสี่คืออะไรากายเวาาทนาจิตธรรมนี่เรอยู่ท่ามกลางแห่งสติปัฏฐานสีน่นี่จะไปอยู่ที่ไหนสัจธรรมอยู่ตรงนี้ก็มรรคนิพภานอยู่ตรงนี้ความเบิกสุดอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับกิเลสมีแต่ฟืนแต่ไฟอยู่กับกิเลสมันเผาเอาเผาเอามัน ค่อยเลื่อนค่อยลอยไปน้นักปฏิบัติเราหรือเป็นศาสน า, าพิธีไปหมดไปที่ไหนมีแต่ศาสน า, าพิธีเต้บ้านเต็มเมืองกว่าจะเข้าถึงตัวจริงนั้นแทบเป็นแทบตายเดินปฏิคแข่งหักขาหักโดนตั้งแต่พิธีอะไรอะไรก็พิธีอะไรอะไรก็พิธีฮะตัวจริงไม่เจอลมนุ่มแรงๆเอาที่เขาเอาตัวจริงอย่างที่กล่าวมานี่นี่แหละคือตัวจริง หมุนมันตี่วติ่วอยู่นี่ความเพี่ยนเราบวชมาเพื่อศาสดาเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมมาสง่งเราไม่ได้ บ, บวชมาเพื่ออะไรทั้งนั้นในสามแนโลกฐานนี้เราบวชมาเพื่อพระธรรมท่าทังสามนี้นี่แหละเป็นศาสด า, งาองค์เอกธรรมเอกสาวกองค์เอกที่จะนําเราให้หลุดพ้นไปได้ด้วยสุภาษัมของท่านหรือวิธีปฏิบัติของท่านนํามายึดมาปฏิบัตินี่แหละผู้ที่จะพาเราพ้นทุกข์พ้นภัย สิ่งทั้งหลายแล้วนั้นไม่ได้พาพ้นนอกจากทํามาให้จมล ง, งนั้นดังนั้นพากันพิจารณาฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมล้วจะรู้ขึ้นภายในา จ, จิตใจใจนี้เท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสสมบัติธรรมหรือรับรู้ธรรมทั้งหลายตั้งแต่ทำขั้นเพื่อนๆจนกระทั่งถึงวิมุติธรรมไม่มีอะไรเป็นภาชนะนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นแต่เวลานี้กิเลสกําลังทะหลงใจดวงนี้จึงหาทํามไม่เจออืแยบตรงไหนมีแต่กิเลสมีแต่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลง ดีดดิ้นเถาอยู่ตลอดเวลาทำหาความกระดิกไม่ได้ไม่มีทางออกเพราะเราไม่เปิดทางให้ตะกี้เด็ดหลุงทั้งวันทั้งคืนให้ได้ชมดิพูไปพูดไปก่อหน่วยอ่ะพอ ขาดคนหนึ่งก็คือขาดความสามัคคีไปคนหนึ่งน่ะไม่ใช่ความสามัคคีแล้วขาดไปแล้วน่ะขาดคนไหนคนนั้นบกพร่องนั่นบกพร่องเขาทำสามาัคคีออผมไม่ก็เดยวมาดูนะทุกวันเนี่ยเขาก็อยู่ตามสภาของผมแก่อนมามาค่อยดูบางทีผมมาถึงก่อนเพื่อนด้วยซ้ำ มาคอยดูพระเนรนี่เป็นยังไงองค์ไหนมันเก่งทางไหนมาเห็นท่ามาในการกันไล่นี้จากวัดเลยไม่ให้ขวางวัดของไม่เดียมาไว้ทําไมวัดสําหรับบรรจุของดีท่างหาของเลวมาไว้ทำไมมันเสียวัดเสียพระผู้ดีทั้งหลายให้หนักอกหนั ก, นกใจราคาญเหมืนเด็กเดียวหน่าปฏิบัต เด็ดตพื่อความดีเด็ดเท่าไรยิ่งดีเด็ดตพื่อความชั่วเด็ดเท่าไรยิ่งเร็วนั่นถ้าเด็ดเัื่อความดีเด็ดเท่าไรยิ่งดีแก้ความชั่วแก้เด็ดเท่าไรยิ่งดีนั่นความชั่วมันเด็ดมาความดีต้องเด็ดไปไม่งั้นไม่ทันกันคาําอยากผายชั่วมันเด็ดมาแล้วเด็ดไปงั้นดันั้นต้อู้คูู่ปฏิบัต ถ้าว่าสู่แล้วเ็นเจาะชนะได้อย่างนั้นถ้ามันเด็ดมาทั้งนี้หอบราบเสร็จเลยแพอย่างอย่างนี้คุณเข้าใจเดี๋ยวเ่งอง่ะที่สนสอนได้ว่าไม่ใช่มาปฏิบาาัติธรรมคือข้าริวัตรที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมกิเลสประเภทหยาบหยาบโลน ธรรมะก็ต้องประเภทยุบขาดผลปราบกันประเภทกลางธรรมะก็ประเภทกลางพอเหมาะต่อการปราบพี่เอีละเอียดลงไปธรรมะก็ละเอียดรรกลดางระ ด, ด, ดับๆทรร่านที่งดชื่อมาเหมาะสมเหมาะพอดีก่าการปาบพี เหมือนเขาทํางานสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องงานหยากเราจะไปเอาเครื่องมือละเอียดไปทําได้ไงงานหยากก็ตั้งเครื่องมือหยาบสปกันงานละเอียดเครื่องมือก็ละเอียดไปตามเนี่ย เข้ามาใหม่เรื่อยใหม่เรื่อยสับสนเป็นไปเข้าเรืยม่ได้เรื่องเรื่องเล่านะหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ยิง่งพูดที่อยู่ก่อนนี้มันหนักใจเพรมันกดกันมันคับกันเนี่ยเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญเบาไปแบบที่แบบสูงทั้งท่อนซุ่มนั้นมันมีนมเจตนาแล้วก็แบบที่มันจะหนักไหมไอ้แบบพระเป็นซุ่มตั้งท่อนนั้นก็เหมือนกันเลยพระไม่เอาไหนเน่ะ หนเคยพบเปเห็นมาแล้วายาให้ได้พบได้เห็นนะ้ังคมกับพระในกรกรรมฐานมีมามากกว่ามากแล้วมันได้เห็นทุกแง่ทุกมุมทั้งดีทั้งสว่ก็มาเป็นบทเรียนเอามาเป็นสิ่งที่ทำความเฉลหลา สิ่งที่ควาเฉลียลาดเป็นเลีบวฉลาดไงหนุ่มออย่าให้เห็นนะมันเรลียวลาบแล้วมันเห็นแต่ของที่ดีที่มีคุณค่ามันเป็นเครื่องประดับตาหูสมูกใจอยาทำงานขวรวัตริบัติอย่าเฮยอย่าฮาอย่าแสดงอาการคลุกคลนหินหนะ่ะบินเครบาก็เหมือนกัน ดูหัวใจเจ้าของเน่ยอย่าไปสนใจคุยโม้กับไผ่ปากมีทุกคนในโลกค น, นี้ น, นั้งนี้วิเศษว่โสแล้วกับลมปะมันวิเสษวิโสกับคำที่ปฏิบัติดูอยู่หัวใจเจ้าของนี่ต่างห่างเพานา้ามีจี่ร่ายก็ตามเดินดูหัวใจเจ้าของมันคิดเรื่องอะไรบ้างหรือจะปฏิาารัติเพราะนาก็ปฏิบัติมันติดเนี่ยคนไปน่นเรียกว่าเป็นสวัสดิเป็นวัด มีความภาคเสี่งยงค่าที่อยู่ไปนในตัวหรือระ ง, งับระดับที่อยู่ไปนในตัวส่งเสริมคํามบำรุงธําไปในตัวทำความรักปฏิบัติผลน่าจะจะกลุ่มสหายก็เหมือนกันอย่าแสดงอาการอาการขนองเห็นนะมาพักทุกข้าวกันที่ครัวนี่ก็เหมือนกันอย่าให้เห็นนะให้มาด้วยวาดปฏิบัติ ให้มาด้วความมีสติมาด้วยความมีระเบียบมาด้วยความมีธรรมอย่ามาด้วยแบบที่เด็มาทุ่มกันให้เห็นนะนี้เกิอนอยู่ในโลกกว่นี้แล้วไม่เป็นของอาจารย์อย่าให้เห็นฉันแล้วก็ฉันฉันแล้วไปอย่ามาโมมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คลึกขนองแบบโลกเขาทำ หรือพระกับโลกมันผิดกันถ้ากับพระราชาผิดกันธรรมกับโลกผิดกันจะให้มันเหมือนกันทำเหมือนกันแล้วจะเร็วลง เ, เหมือนกันแล้วต้องเร็ววันตรงนี้ก็อาจจ ท, ที่ไหนจะมาดีอ่ะ ทางเภอมุดจังหวัดมุดตหาร่เหนือ น, นี่จะมาประมาณเวลาเท่าไหร่ประมาณของเขาบบอก ว, าว่าประมาณ น, นาจ น, นาจะมเาเาอืงว่าจะม า, างการอบรมฝึกสอนนี่อะไ่ีพวกนักเรียนอยไนบบองต้งไปศึกษาพายฮะมาศึกษาพสน ยังไปสั้างผู้ ว, ว่าจังหวัดอุตริตก็มานิมนต์ให้ไปสแสดงธรรมที่จังหวัดตัตรดิตหนึ่งสแสดงธรรมสอนพระค้าราชการ้วยนั้นเราก็รับไม่ได้เมื่อวานนี้ก็พวกนี่คนโทร บ, บุญชัยว่าทหารมานิมนต์ให้แสดงที่กรุงสถานนี่เราก็ไปไม่ได้ผมทำบางั้งมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกวันาาการปฏิบัติการ ทำคนิมนต์ลแล้วมันตายเป็นนานนานนี่จาเป็นจริงจริงจะรับให้หเหมือนขึ้นอย่างเปิดตึ่โรงพยาบาลจําเป็นจริงๆเรื่องนั่นน่ะที่อยู่ที่ป่วยขนาด น, นั้นเอาไปว่างนี่เลยกลายไปไม่ได้เอาเอาใส่รถไปใจไปได้อยู่นี้นะเพราะขาดเราคนเดียวจะเป็นยังไงเนี่ยเราคิดแล้วเพราะงานนี้เป็นงานของเราโดยตรงอยู่แล้วเราเป็นหัวหน้า ง, งาน ล้วจะเป็นยังไงเมื่อเราไปไม่ได้เลยเราพอไปได้เราต้องไปตึงนได้ไปไปแล้วก็พยายามทำให้มันเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างโดยสมบูรณ์ขาดขันมันเป็นยังไงก็ให้มันเป็นใจมันไม่จะเป็นไรนี่วะมันเป็นแต่ข้าแต่ขันขึ้นทํา้มากก็ได้พายุมันขึ้นเอาเคลื่อนจะเทศวันนี้วางั้นเลยเอระเทศเจงแล้วจะได้หามกันาง ขาอโลกไปกำเริบอยู่บนธรรมะแท้ยังไม่ถึงไหนประมาณสักเจ็ดสิบเซละมั้งขาดประมาณสักสามสเร์็กไปกำเริบอยู่บนธรรมะแต่แล้วก็เลยได้หยุดนี่อางมณกาทำประโยชน์เพื่อโลก